เรื่องเมตตาผู้เล่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้รู้จักอัธยาศัยของบรรดาสานุสิทธิ์เป็นอย่างดีท่านเคยพูดเสมอว่าคุณทองคำนี้เป็นบุคคลที่มีสติปัญญาอ่อนและวาสนาน้อยถ้าจะอุปมาเปรียบสานุสิทธิ์ทั้งหลายเหมือนเหล็กซึ่งถูกหลอมมาเป็นแท่งแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถูกไฟเผา เนื้อเหล็กอ่อนก็ต้องตีด้วยค้อนแปดปอนมันไม่เสียหายอะไรแต่คุณทองคํานี้เปรียบเหมือนเนื้อเหล็กผสมอยู่กับหินที่มันเกิดที่แรกถ้าเราใช้ค้อนทุบ ก, ก็จะแหลกละเอียดหมดตอนที่ท่านพระอาจารย์เริ่มอาพาธไดเมตตาผู้เล่าว่าทองคําเอยเราก็สงสารเธอไม่มีอะไรจะให้ขอให้เธอจงจดจำไว้ อันนี้เป็นคำสั่งสำหรับคุณโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายเมื่อเราตายไปแล้วจะไม่มีใครสั่งสอนคุณเหมือนดังเราสั่งสอนขอให้คุณปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์ที่สอนครั้งแรกตั้งแต่ยังบวชคือการตั้งศรัทธาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่ต่อจากนั้นก็พิจารณาองค์กรรมฐานห้า คือเกสาโลมานาคาทันตาตาโจคือผมขนเล็บฟันหนังขอให้ยึดมั่นอย่างนี้เพราะว่านอกเหนือจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบ ร, รมครูแล้วก็มีครูคนที่สองรองจากพระพุทธเจ้าคือพระอุปชานี่เองพระอุปชาจะสอนตั้งแต่สารณาคมจนกระทั่งถึงพระนิพพาน ให้ตั้งศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยให้พิจารณากรรมฐานห้าคือเกษาโลมานขาทันตาตาโจให้ยึดมั่นในหลักนี้รับรองไม่ผิดท่านว่าอย่างนั้นนี้เป็นการสั่งสมวาสนาบา ร, รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงไม่รู้ชาตินี้ชาติต่อไปก็สามารถรู้ได้ ผู้เล่ามาคิดเฉลียวใจว่าเราปฏิบัติไปอย่างนี้เกิดเป็นบ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำอย่างไรท่านบอกว่าอย่าไปนึกเป็นบ้าเป็นอะไรไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าคุณไปเพ่งออกนอกคุณจะเป็นบ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นคุณมาเพ่งในนี้คือเกษาโลมานักขาทันตาตาโจมันจะแก้ของมันไปเองท่านว่าอย่างนั้น แล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องเป็นภาวิตาพาหุรีกตาจเจริญให้มากถ้าหากว่าบุคคลที่มีวาสนาบารมีแล้วอย่างเดีวเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนต้องได้บรรลุ ค, คุณในวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งมีพระโสดาบันเป็นต้นแต่วาสนาพอปานกลางอบรมต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างย่อหย่อนไปแต่ว่าไม่ท้อถอย มีความเชื่อมั่นอยู่ในคำสอนของพระอุปชาอย่างช้าก็สิบหกปีท่านพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้ทุกคนนั่นแหละถ้ายึดมั่นในคำสอนของอุปชาได้รับรองไม่มีผิดท่านว่างั้นเพราะมรรคผลในธรรมพิเศษนั้นเป็นของคนไทยโดยเฉพาะทำไมจึงว่าเป็นคนไทยโดยเฉพาะเพราะเราได้ปฏิบัติ สืบทําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นพันๆปีแล้วความพร้อมของคนไทยจึงมีเพราะฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษนั้นมีโอกาสทุกคน